เมื่อสักสี่สิบห้าสิบปีก่อนนะ่ะมีหมอคนหนึ่งเนี่ยไปเรียนต่อที่ประเทศเยอร ม, มันเล่นขยันเรียนนะแล้วก็รู้จักเจ็บพร้อมรอมริฟตระหว่างที่เรียนก็ทํางานไปด้วยกลับมาเมืองไทยก็ทํางานด้วยความขยันมันเพียรแล้วก็เจ็บพร้อมรอมริฟเหมือนกับที่เคยไปเรียนต่อที่เมืองนอก แกเป็นคนี่รักรถมากนะสู้สาเก็บเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อรถเบนนะต์สมัยนั้นเนี่ยรถเบนต์ราคาแพงมากแล้วก็เมืองไทยก็มีรถเบนตนะ์ไม่กี่สิบคันนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเศรษฐีนะที่เขามีกันนะแต่หมอคนนี้นี่แกก็สามารถที่จะซื้อรถเบนตนะ์ขับได้ก็มีความสุขมากนะ แต่ว่าขับไปได้สักแค่เดือนเดียวนะรถมันก็เริ่มรวนซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีขึ้น เ, เดี๋ยวก็เสียน่นเดี๋ยวก็เสียนี่ก็เลยนะติดต่อบริษัทนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบริษัทเนี่ยตัวแทนขายเมืองไทยเนี่ยนะพอมาดูรถเขาก็บอกว่ารถคันนี้นี่บริษัทไม่ได้ขายนะ มันเป็นรถที่เรียกว่าเสียมาตั้งแต่โรงงานแล้วล่ะเรียกว่าเป็นของมีตำหนินะโรงงานก็ขายในราคาถูกเหมือนกับว่าเป็นของที่ใช้แล้วแล้วก็มีคนไปซื้อซื้อแล้วก็เอามาขายต่อก็มาขายหมอคนนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบอะไรได้พูดง่ายคือว่าหมอนี่แกก็โดนต้มนะโดนย้อมแมวขายคนที่มาขายนี่ก็แซงทำตัวเป็นพนักงานบริษัทนะแต่จริงไม่ใช่หมอนี่แกก็พยายามนะตามหาคนที่เอารถมาขายนะที่อ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทก็หาไม่เจอ แกก็แค้นมากเลยนะแค้นถึงขั้นว่าเนี่ยจะตามล่าหมายจะเอาชีวิตเลยเพราะว่ารถคันนี้มั น, นรถที่แกโปรดมากนะเรียกวา่าทำงานมาทั้งหมดทั้งปูงนี่ก็ก็เพิ่อมาซื้อรถคันนี้จิตใจรุ่มร้อนมากนอนไม่หลับ คิดแต่จะหาทางแก้แค้นเพื่อนก็เลยพาไปหาพระนะปกติก็ไม่สนใจพระหรอกนะแต่ว่าเพื่อนก็เห็นว่าเนี่ยมีความทุกแบบนี้มีความแค้นแบบนี้ถ้าขืนปล่อยไปนี่จะเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โต ไม่คุ้มค่ากันเลยนะค่าคนตายเพียงเพราะรถเบนซ์ที่ถูกกงแต่คนเราก็เป็นอย่างเงี้ยนะพอไปยึดว่ารถเป็นกูเป็นของกูแล้วนี่รถไม่ใช่ของกูแล้วนะกูเป็นของรถยอมตายหรือยอมชิบหายเพื่อมันก็ได้อันนี้เรียกว่า รถไม่ใช่ของเราเราเป็นของรถไปซะละวันนี้พอไปหาพระพระท่านก็เตือนว่าเนี่ยอย่าไปก่อกรรมทำเข็ญเลยนะมันก็แล้วไปแล้วหมอนี่ก็บอกมันแล้วไปแล้วได้ไงมันต้องขอเป็นนี่นี่ทำไงถึงเป็นยังไงเนี่ยถึงต้องมาเจอแบบนี้พระท่านก็บอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลนะ แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือไม่แต่ที่สงมันคือว่ามันเกิดมาแล้วนี่ก็อย่าไปถึงกับจองร่างจองผ่านกันเลยนะให้อาภัยไปเถอะหมอนี่แกก็อมแอมนะให้อาภัยก็ได้แต่ก็ยังมีความสงสัยว่าทำไมเนี่ยตัวเองเนี่ยจึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อยากรู้นักว่าเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้ต้องมาถูกโกง แกก็เลยอธิษฐานขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าหากว่ายังมีคุณความดีอยู่บ้างเนียขอให้ได้รู้ว่าที่เจอเรื่องแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวแกนี่ยอมรับไม่ได้นะเนื่องจากทำความดีมาทั้งชีวิตไม่เคยทำความชั่วเลยทำไมต้องมาเจอแบบนี้เพราะว่าคืนนั้นก็ฝันนะฝันถึงพ่อ สมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กนะพ่อนี่เป็นคนที่มัธยัตเป็นคนที่เก็พร้อมรอมริบขขันขันแข็งในการทำงานเช่นเดียวกับแม่ตั้งใจที่จะส่งเสียให้ลูกเนี่ยได้เรียนสูงๆแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้รู้จัก มัธยัติเกร้อมรอมริบด้วยที่บ้านเนี่ยขายผลไม้นะสมัยก่อนเนี่ยผลไม้อย่างพวกแอปเปิลซารีก็ราคาแพงนะไม่ค่อยได้กินมากกินได้ง่ายเหมือนสมัยนีย้แม่ก็ไปรับมาขายแล้วในเดยวกันก็สอนลูกนยนะให้รู้จักนะมาช่วยที่บ้านค้าขายบ้างเลิกเรียนแล้วก็มาขายของผัดกันมาขาย แม่ก็สอนลูกเนะเนี่ยผลไม้นี่ต้องเลือกดีๆให้กับลูกค้านะบางลูกเนี่ยข้างนอกมาดูดีข้างในมันช้าเนี่ยอย่างนี้อย่าไปขายให้กับลูกค้านะผลไม้นะลูกไหนที่ข้างในดีอะข้างนอกดีข้างในช้านีนะ่แม่ก็กันเอาไว้นะให้ลูกแทนนะ ไม่ได้ขายนะให้ลูกๆ ก, ก็เป็นเนย่างี้มาหลายปีจนกระทั่งหมอนี้เนี่ยก็เรียนมัธยมตอนอยู่มัธยมปลายเนี่ยแกก็จำขึ้นมาได้เลยนะจาได้เลยนะว่าตอนอยู่มัธยมปลายเนี่ย mm hmm. เห็นเพื่อนเขามีของเล่นกันของดีอยากจะได้บ้างแต่ว่าทำไงไม่มีเงินนะแก็เลยนะ ตอนนี้เวลาที่ขายของเนี่ยช่วยที่บ้านขายของเนี่ยถ้าลูกค้านี่เป็นแขกเป็นคนแปลกหน้านี่แกก็เอาผลไมล้ลูกไม่ดีที่ที่แม่กันเอาไว้ให้ตัวเองเนี่ยขายให้ลูกค้าแทนหรือถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อหลายหลายลูกก็เอาลูกที่ไม่ดีเนี่ยที่แม่เนี่ยกันเอาไว้ให้ตัวเองกินเนี่ยเอาไปผสมด้วยท่านได้เงินมาเนี่ย แจ๊กก็ถือว่าเนี่ยไอ้เงินที่ได้มนเนี่ยมันเป็นเงินจากการขายผลไม้ของตัวนะที่แม่แม่ที่แม่กันมาให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้เงินมาก็เป็นของตัวเองเสินะไม่เอาเข้ากองกลางก็มีเงินเก็บจนกรนทั่งไปซื้อของเล่นที่ราคาแพงได้ภูมิใจนะ น้องๆ น, นี่ก็บอกว่าเนี่ยพอลูกเขาก็บอกเนี่ยระวังนะเนี่ยอย่างเงมผิดศีลนะระวังนะเดี๋ยวต้องรับกรรมนะแกก็ไม่เชื่อใครจะมีศีงก็มีไปนะฉันไม่สนใจแล้วแกก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลยนะจนกระทั่งเนี่ยพอฝันถึงพ่อเนี่ยสมัยที่ตัวยังเด็กเนี่ยฝันถึงแม่ที่ช่วยลูกๆขายของเนี่ยก็เลยนึกขึ้นมาได้ ก็เลยรู้เลยนะว่าเนี่ยอ๋อในการที่ตัวเองเนี่ยโกงลูกค้าเอาของไม่ดีไปให้เขาเนี่ยนะสุดท้ายมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยถูกโกงในที่สุดนะผละไม้ที่ข้างนอกดูดีข้างในช้ำเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากรถเบนท์นะนะที่ข้างนอกก็ดูดีแต่ข้างในนี่มันมันรวนแล้วเลยเข้าใจแลว้วว่าตัวเองทำไม ถึงถูกโกงแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าแค่โกงผลไม้ลูกเล็กๆ เ, เนี่ยทำไมต้องมาเป็นเหตุให้ตัวเองเนี่ยโดนถูกโกงด้วยรถเบน์ด้วยก็ไปหาพระพระท่านก็อธิบายว่าเนี่ยคนที่เขาซื้อผลไม้มาเนี่ยนะงทีเขาก็อยากจะซื้อของดีๆให้กับพ่อแม่ให้กับ ผู้ที่เคารพพอเขารู้ว่าผลไม้มันของเป็นผลไม้ไม่ดีเพราะก็โมโหก็เสียใจในความเสียใจของเขาเนี่มันก็คงเท่าๆกับความเสียใจของโยมนะที่พบ ว, ว่ารถเบนเนี่ยมันมีตําหนินะมันใช้ไม่ได้ย้อมแมวขายถูกย้อมแมวขายก็เลยเข้าใจเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอนใจได้ดีนะบ่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยแม้เราจะคิดว่าเรา ทำดีมาตลอดเนี่ยพอเจอเหตุร้ายเขาก็เสียใจยว่าฉันทำอะไรเป็นเหตุให้ต้องมาเจอแบบนี้ฉันทำความดีมาตลอดชีวิตทำไมต้องเจอแบบนี้ที่จริงอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้รู้อี้วนก็ได้นะอาจจะเคยทำอะไรไม่ดีมาก่อนแต่ไม่รู้หรือลืมไปในสิ่งนี้มันก็อาจจะส่งผลย้อนส่งผล หรือว่าทบต้นนะจนกระทั่งต้องมาเจอเหตุร้ายก็ได้เอ่นใครก็ตามที่เวลาเจอเหตุร้ายแล้วเนี่ยถูกโกงก็ดีสูญเสียทรัพย์ก็ดีแล้วก็ตัดเพาะว่าทำไมถึงต้องมาเป็นชั้นทางวิษาทาความดีมาตลอดทำไมต้องเจอแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้ดีจริงหรือดีตลอดก็ได้นะอาจจะเคยพังพลาด นะเคยทําความผิดหรือว่าผิดศีลมาก่อนแต่ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามนะสิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าข้างข้างข้งหลังคืออะไรอดีตเป็นอย่างไรแต่อยู่ที่ว่าข้างหน้าเราจะทําอย่างไรมากกว่า อ, อย่างเช่นถ้าเจอเหตุการณ์แบบคุณหมอคนนี้ถูกโกงแทนที่จะ ปล่อยใจให้จมอยู่กับความทุกข์จนกระทั่งเกิดความคับแค้นต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างโดยเพราะเมื่อทาอะไรไม่ได้แล้วเพราะไม่เช่นั้นเนี่ยใจมันไม่เพียงแต่จะทุกข์อย่างเดียวนะอาจจะเผลอทําความชั่วที่หนักกว่าเดิมก็ได้คือไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาเนีเวลาสูญเสียทรัพย์เนี่ ย, ย, ย, ยนะถ้าเราวางใจถูกมันก็เสียแต่ทรัพย์นะ แต่ว่าใจไม่เสียแต่ถ้าวางใจผิดนี่มันไม่ใช่เขียนไม่ได้เสียแต่ทรัพย์อย่างเดียวนะใจก็เสียสุขภาพก็เสียบางทีอาชีพการงานก็ปนปี้ไปด้วยเพราะไปทําผิดคิดร้ายหรือทําลายเขามีครอบครัวครอบครัวก็ล่มสลายเพราะตัวเองติดคุกไปฆ่าเขาเสียหายไร่อย่างหลือเกินเพราะปฏิบัติไม่ถูกวางใจไม่เป็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันจะเกิดเพราะเหตุใดนี่ร้อบางทีเราก็ไม่รู้นะแต่มันมีเหตุแน่แต่แทนที่เราจะมัวแต่มองย้อนไปข้างหลังเรามองไปข้างหน้าดีกว่าว่าเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าปฏิบัติตัวไม่ถูกนะวางใจไม่เป็นนี่มันก็ทำให้ทำผิดซ้ำสองหรือว่าทำผิดหนักขึ้นกว่าเดิมนะไม่ใช่แค่ทูกเพราะเสียทรัพย์นะแต่ว่าถูกเพราะ เสียงอื่นด้วยนะเสียจริญเสียสุขภาพเสียงานเสียการบางทีสูญเสียคนที่เรารักนะต้องพัดพากแยกย้ายจากกันก็ได้หรือว่าชีวิตนี้ก็เสียอนาคตไปเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักวางใจให้ถูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็ตามแต่ถ้าดีนะก็เอ่า ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็มีสีนเอาไว้อันนี้มันจึงจะเป็นหลักประกันนะให้เราได้มีชีวิตที่ราบรื่นแต่มันก็ไม่ราบรื่นไปได้ตลอดเพราะมันก็ต้องมีทุกมีความปันผลปวนแปลบ้างตามธรรมดาของโลกของชีวิตแล้วก็ต้องรู้จักวางใจให้ถูกจะได้ก้าวข้ามผ่านพ้นทุกไปได้